แต่ตะว่าสำหรับประสุภกรรมฐานนี้จะเหมา ะ, ะเฉพาะสำหรับท่านที่มีจิตในราคะจริตเท่านั้นนีว่ากระทังเบื้องตน้นว่าการจะเริ่มใช้ในเบื้องต้นนั้นเหมาะสำหรับท่านที่มีจิตน้อมไปอยู่ในราคะจริตแต่ต้ว่าจริตของคนเหล่านี้ขมันดาท่านนักศึกษาทั้งหลาย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 พุทธเจริตให้ใช้อาหารใปริกูลสัญญาจตุธาภันสีมรณานุสติกรรมัฏฐานก็อุปสมานุสติกรมมฐานรวมเป็นสามสิบอย่างให้เลือกใช้เอาตามปัญยาใสสาหรับกัมมัฐานกลางจะเป็นจริตอะไรก็ใช้ได้ก็ได้แก่ปทวีกสินเตโชกสินวายโยกสินอาโปกสินอากายกสินอาโลกสิน และอารมณ์สี่คืออาการนัญจายตนะวิญญาณันจายตนะอากิจัญญายตนะเนวสัญญาณาสัญญายตนะรวมเป็นสิบเป็นอันว่าพระพ um, ุทธเจ้าทรงมีความฉลาดพอจัดกรรมฐานเฉพาะกิจไว้ฉะนั้นในการเจริญพระกรรมฐานนักศึกษาพระกรรมฐานท่านมัตต์ปฏิบัติทุกท่านจะต้องรู้อารมณ์ใจของตัวเอง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 การที่คนเราทาหลายต้องถูกด่าถูกว่าถูกตำหนติตีเตียนถูกไล่ออกจากสถานที่ก็เพราะอาศัยโมหะกจจิตกวิตกิกจกิตเรองความโง่เป็นสำคัญขายการไข้ควงกายการพิจรารณาไม่ได้ดูการเวลาเวลานั้นมันสมควรจะพูดสมควรจะทำหรือไม่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 ย่าไส้ใจที่มีอารมณ์หยาบองสมเด็จพระสัมมา ส, สัมพุทธเจา้าจึงแนะนําให้จับอนาปานุสติกรรมฐานเป็นอ า, ารมณ์เพราะว่าอนาปานุสติกรรมฐานเป็นกรรมฐานาที่มีอารมณ์ละเอียดาการรูล้ลมให้ใจเข้าออกนี่ถ้าขาดสติสัมปชัญญะจริงๆมันรู้ไม่ได้ถ้าห า, าว่าจิตใจของเรารูล้ลมให้ใจเข้าออกอยู่เป็นปกติบุคคลนั้นไม่มีงานที่จะพลาด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 นี่สแสดงว่าคบความเหลวไว้มากนี่เราฟังกันวันไม่รู้จักกี่เที่ยวนะฟังแล้วก็ใช้จําันนี้จะพูดแบบภาษาโบราณภาษาโบราณเวลาเขาว่าคนงงบกจงใช้หัวแม่เท้าจําไว้เสียบ้างนี่ความจริงฟังกแล้วก็คิดในการที่จะได้ฟังอย่างนี้แต่มันหาที่ไหนไม่ได้แล้ว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 แลวบางบางขณะไอ้อสุเให้ความรักสวรังามมันคลายตัวเกิดความโกรธเกิดอารมณ์พิฆาตจองร่างจองผ่านคึิ้งก็ใช้กรรมฐ า, านที่เหมาะสมคือว่าถ้ามีาหานสี่หรือว่ากระสินสี่อย่างใดอย่างหนึ่งนี่ใช่ไม่เหมาะใช้มันให้เป็นเสียทุกทั้งหมดตหรับตํารามีเทพมีนังซื้อมีฟังก็ฟัง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 แต่คนที่ไม่ควรเจริญสุขกรรมฐานมีอยู่พวกหนึ่งแลวก็ควรจะใช้เหมือนกันแต่ว่าใช้ทีหลังใช้ในเ ม, มื่อารมณ์สมาธิหรือว่าปัญญามันเริ่มดีขึ้นมาบา้างใช้ทีหลังคือใช้ปัญญาพิจรารณาไม่ต้องเข้าไปหาสุขนั่นก็นคือพวกที่เป็นนิสิดวนจมูกแล้วพวกที่เป็นโรค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 าว่านี่เป็นลักษณะอาการพิจารณาศพว่าการจะเข้าไปพิจารณาศพ้วต้องทำกันแบบนี้จําไว้แล้วก็ฟังแล้วก็ต้องจํนะไมใช้แบบง่ไม่ใช่จาแล้วก็ฟังส่งเวลาไปยืนดูศพจริงๆยืนท้ายลมบ้างยืนเลื้อนลมบ้างยืนตรงศพ บ, บางไอ้อย่างนี้มันเป็นภัยมันเป็นโทษสำหรับวันนี้ก็ได้แค่นี้แหละ ท่างนี้เพราะอะไรเพราะวันนี้ไปเจอโง่เขาพท่ี่ไม่เจอแต่วันนี้เจอมาหลายวันแล้วว่นั่งกในใจว่าโอนอน่าสงสารฟังกันไม่รู้ว่าเท่าไรอารมณ์ที่ว่ากันนึอาหัสหัตผลเนี่ยพูดก็ไม่รู้ว่ากี่รอบ